ทีนี้เลยมาหายานนสังบรหรือว่าปัจญะสันนิสิตศสินต่อนะอที่จริงแล้วปัจญะสันนิสิตาสินก็คือญาณาสังบอถ้าหากว่าผู้ที่ปรารบบ่อยๆก็น่าจะดีนะเข้าไปนั่งตรงไหนก็ตรงนั้นก็ศีลของเรายืนที่ไหนตรงนั้นก็ศีลของเรา เสื้อผ้าใช้สอยก็ศีลอาหารทุกคําก็ศีลสั์เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้า ร, าราลนะเป็นอริยสัพย์ทั้งหมดเลยยานะสังวรนั้นเป็นศีลที่รองรับปัญญาโดยตรงเลยนะเป็นเป็นศีลที่รองรับอัธิปัญญาศิกขาที่ที่สำคัญมากเพราะว่าผู้ที่พิจารณาเรื่องเสนาสนะอ่อน นะหรือพิจารณาเรื่องของปัจจัยสี่อ่อนคนเหล่านั้นจะแยกแยะสปายะไม่ได้เลยเด็ดขา ด, ดน ะ, ะถ้าเข้าแยกแยะสปายะไม่ได้ที่จะเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยยากถ้ากุศลธรรมเจริญไม่ต่อเนื่องนะมันนับหนึ่งใหม่ตลอดเนะถ้าถ้าคนที่ที่เจริญหรือเป็นคนที่ตรึกธรรมะมากๆเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่ว่า อ, อวันนี้อยากจะคิดเรื่องขันเอาเรื่องขันมาคิดเลยนะ ไม่ได้หรอกเนี่ยนะนจะต้องไปมันก็นวดความคิดโขมันกันเออวันนี้จะเอาเรื่องอายตนะมาปรารบมาเพ่งมาตึกให้มากหรือวันนี้จะเอาพุทธคุณมาเนี่ยนะบางทีเนี่ยว่าไปไม่ไปหรอกจิตเราไม่ใช่ว่าจะน้อมไปอะไรง่ายๆนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ง่ายๆดังนั้นการตรึกเรื่องศีลเป็นต้นเนี่ยนะจะช่วยได้ค่อนข้างมากเนี่ยนะเช่นตัวอย่างในการปรารบ ปัจเจกปัจจยัย4หรือว่าการตารบศีลหมวดอื่นๆอีกเนี่ยนะกุศลศีลเหล่านั้นจะรองรับให้จริงๆเนีย่ยนะให้ให้กุศลจิตเนี่ยเกิดบ่อยๆเข้าไว้ก่อนเกิดกับหลากหลายอารมณ์ให้มากๆก่อนแล้วก็จะได้รองรับกุศลธรรมได้แล้วก็จึงจะเกิดการพิจารณาธรรมะประเภทปฏิจจสมุปบาทได้หรือถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทก็ยากนักที่จะเจริญ ศีลได้เหมือนกันเพราะว่าศีลเนี่ยนะถ้าเป็นเจตนาศีลเจตนาศีลโดยองค์ธรรมก็เป็นภพนะเป็นกรรมภพเนี่ยนะภพมีอะไรเป็นปัจจัยละ่ะก็มีอุปาทานเป็นปจัจจัยอุปาทานมีอะไรเป็นปจัจจัยก็มีตัณหานั่นแหละเป็นปจัจจัยตัณหามีอะไรเป็นปจัจจัยเวทนานั่นแหละทันเวทนาก็มีภาษาเป็นปจัจจัย ภาษาก็คือจากความประชุมพร้อมของธรรมะสามอย่างนั่นแหละเป็นปจัจใจทีนี้าภาษาเนี่ยนะแตกต่างก็เพราะว่าธาตุแตกต่างในจำนวนธาตุเหล่านั้นเนี่ยนะก่อนที่แนวความคิดนั้นๆจะเกิดเนี่ยเราปรารบอะไรก่อนหน้านี้มาเนะปรารพอะไรก่อนหน้านี้มาซึ่งตรงนั้นแหละที่เรียกว่าการอธิษฐานการสมาทานการตั้งจิตมั่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกุศลธรรม ตามแนววิสุทธิมัตยหรือว่าตามแนวพระไตรปิฎกนั้นความรู้ต้องมากจริงๆเน็นไหมถ้าความรู้ไม่มากจริงๆแล้วมาเชื่อว่าคงเจริญยากเนไเจริญยากจริงๆถ้าหากว่าคนที่หนึ่งนะจาไม่ได้แล้วก็ตรึกน้อยแล้วก็สัปายะไม่ค่อยได้อันนี้ยอมรับว่ายากจริงๆเห็นไห เพราะความยากมันนี่แหละโอ้ฉันลูกทอไปไม่รู้กี่ลูกแล้วันแทนข้าวได้วันนี้อิ่มไปแล้วอันนะในนาหนึ่งร้ยเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้านะ น้องพิจารณาเสนาสนะนะข้อว่าเสนาสนะคาว่าเสนาสนะเนี่ยนะแปลว่าที่นอนและที่นั่งเ อ, อ่อเสนาส น, นี่แปลว่าที่นอนกับที่นั่งก็ภิกษุใดนอนในที่ใดๆคือในวิหารก็ตามในที่อยู่มีเรือนโลนเป็นต้นก็ตามคําว่าเรือนโลนก็คือเรือนมงข้างเดียวคล้ายๆกับเพิงมาแงน่ะนะ ในที่นั้นนั้นชื่อว่าเสนะแปลว่าที่นอนคือเข้าไปนอนในที่ใดๆที่นั้นก็เรียกว่าที่นอนภิกษุนั่งคือนั่งลงในที่ใดๆคือในวิหารก็ตามในที่อยู่มีเรือนโล้นเป็นต้นก็ตามในที่นั้นนั้นชื่อว่าอาสนะแปลว่าที่นั่งรวมสองคำคือสองคำคือเสนะกับอาสนะเข้าไปใช่ไหมเข้าด้วยกันจึงชื่อว่าเสนาสนะเสนาบวกอาสนะชื่อว่าเสนาสนะ แปลว่าที่นอนและที่นั่งเนี่ยนะคือที่นั่งที่นอนทุกหนทุกแห่งที่เราเข้าไปนั่งเข้าไปนอนนะวันนี้นั่งมากี่แห่งแนละ้วเนาะอหลายแห่งอนะันนี้ไม่เคอยออกกันถ้าปั จ, จเจกบ่อยก็แสดงว่านึกสับนึกที่นั่งได้เหมือนกันเออตรงนั้นก็ศีลของเราอ่ะนะจำได้ว่าตรงนั้นกูศละศีลเกิดบ่อยอย่างน้อยที่สุดเน้นเข้าห้องเรียนนี่ก็ปั จ, จเจกนะี่ก็ถือว่าแจ๋วแล้วเ น, นี่ยติดติดเชื่อไปบ้าง สองบทว่าอุตุปริสยะวิโนธนังปฏิสัลลานารามทถังที่แปลว่าเพื่อบันเทาอันตรายคืออุตุเพื่อความยินดีในการหลีเกเล้นมีอธิบายว่าอุตุนั่นเองชื่อว่าอุตุปริสยะแปลว่าอันตรายคืออุตุแต่ว่าอันตรายคืออุตุนี่เป็นอย่างไรก็คือฤดูมีเย็นและร้อนเป็นต้นนั่นเทียว ท to to extent, ade, his saute, his ี eh ่ไม <ety. S 1> ่สปายะเชื่อว่ามีฤดูอันเป็นอันตรายนันะอุตุที่ไม่สปายะไม่เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลอธิบายว่าเพื่อบันเทาอันตรายคือฤดูนั้นเพื่อไม่ให้อันตรายคือฤดูที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อระงับอันตรายคือฤดูที่เกิดขึ้นแล้วนนเเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอันตรายก็คืออุตุที่ไม่สปายะต่อการเจริญกุศลธรรม อย่าลืมว่าถ้าเป็นพระภิกษุคําว่าภิกษุในที่นี้คือใครท่านใช้คําว่าภิกษุนะภิกษุนี่คือใครใผู้เห็นภายในสังสารวัฏผู้มีปกติเห็นภายในขันธาตุอายตนะเนี่ยนะว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยก่อทุกข์ก่อโทษจริงๆไม่มีขันธาตุอายตนะไหนที่ไม่นํามาซึ่งความเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยนะทุกๆขันทุกๆธาตุทุกๆอายตะนะนํามาซึ่งความเร้าร้อน นำมาซึ่งความกระวนกวายทั้งหมดทีนี้ถ้าหากว่าเราให้กระวนกวายก่อนค่อยเจริญตีณเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นกวนกวายครั้งเดียวก็เกินพอแล้วก็บักเข็ดลาบแล้วันต้องเรีบมาเพ่งมาเพียนเพื่อที่จะได้ละคลายซะเพราะในทุกคนทุกแห่งที่เข้าไปนั่งก็เพื่อนั่งเพื่อที่จะเจริญกุศลรธรรมนอนก็ต้องนอนเพื่อเจริญกุศลธรรมยืนเดินเป็นต้นก็เพื่อที่จะเจริญกุศลธรรมใช่ไหม อย่างเช่นนอนแบบมีสติสัมปชัญญะนะที่กล่าววันก่อนในอปปนากะสูตรเนี่ยนะที่ว่ากายนี้นอนบนเตียงกายก็ไม่รู้ว่านอนอยู่บนเตียงใช่ไมเตียงก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่บนดินดินก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่บนน้ำน้าก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่บนลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเรื่องการตรึกพวกนี้ค่อนข้างมากจริงๆต่อไปว่า ที่บอกว่าอุตุปริศยะเนี่ยนะที่หมายคือว่าเบียดเบียนได้แก่เพื่อบันเทาอันตรายคืออุตุและเพื่อความยินดีในการหลีกเล่นเนี่ยนะเพื่อที่กําจัดไอ้อุตุที่ไม่เป็นสปายะออกไปนะใครเคยนั่งตรึกนั่งเจริญกุศลธรรมสักหมวดหนึ่งตอนอากาศร้อนๆนห น, นะนึ่งนะเนี่ยนลองเจริญกุศลรธรรมหลายๆบรรยากาศดูเนี่ยนะร้อนก็ลองเจริญดูหนาวเน็บจริงๆก่อนลองตรึกธรรมะดูเนี่ยนะ ฝนตกเนี่ยนะตากฝนก็ลองตรึกธรรมะดูก็คือว่าให้มันทุกสภาพดูว่าไอ้อุตุประเภทไหนเนี่ยเหมาะกับการเจริญกุศลธรรมที่สุดเห็น ไ, ไหมเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอุตุไหนที่อกุศลเกิดแสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่าอุตุแบบไหนทําให้กุศลจิตเกิดเห็นไหมเพราะว่าอุตุนี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตถ้าอ่านเทรคาถาบ่อยๆนะ อันเท ร, คทรคนะคถาเทริคาถาเนี่ยนะพระเถระบางองค์นี้ได้อุตุสปายะก็บรรลุเป็นพระอารหรันต์เลแล้วก็ในสังยุตติกายเนี่ยนะหลายแห่งก็เน้นถึงอุตุสปายะเนี่ยนะพอตกคืนนั้นถ้าได้อุตุสปายะเจริญกรรมฐานแล้วก็บรรลุเป็นพระอารหรันต์เนี่ยนะในคัมภีรหลายๆแห่งเน้นเรื่องอุตุสปายะค่อนข้างมากแล้วก็อุตุหรือว่าเสนาสนะเนี่ยนะที่ เป็นที่อาศัยยินดีในการหลีกเร้นคำว่าหลีกเร้นในที่นี้ก็คือการเจริญภาวนานั่นเองไม่ใช่ว่านิ่งก็เป็นหลับไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายว่าเข้าไปแล้วก็ออปรารอุโสธรรมได้อย่างต่อเนื่องอธิบายว่าอุตุใดกระทำความอาพาธแห่งสรีระกระทำความสัตสายแห่งจิตได้อุตุูแบบนั้นไม่เป็นสัปตยะเป็นอุตตที่ภิกษุพึงบรรเทาได้ด้วยการเสพเสนสนะ เนี่ยนะอาวุเสกก็คือเข้าไปใช้สอยเสยนาสนะนั่นเองเมื่อไปอยู่ในอากาศที่มันร้อนเนี่ยนะเช่นกลางวันเนี่ยถ้าเข้าไปในร่มสภาพจิตก็แตกต่างกันละหรือว่าถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะลองนั่งกลางแจ้งดูนานๆกับเข้าไปในเสนาสนะนี้ก็แตกต่างกันแม้กระทั่งพวกเสนาส น, นี่นะถ้าผู้ที่เคยสังเกตสภาพจิตบ่อยๆในการเจริญกุศลธรรม สำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีการเจริญดีอยู่แล้วนะก็สังเกตดูว่าเวลาอยู่โคนไม้ปรารอกรรมฐานเนี่ยเป็นยังไงนั่งอยู่ริมน้ําเป็นยังไงนั่งอยู่โคนต้นไฟนี่เป็นยังไงนั่งอยู่โคนต้นมะเดื่อนี่เป็นยังไงแยกๆหลายๆต้นนะเพื่อที่จะได้สังเกตดูอุตุเนี่ยนะแต่นี่หมายความว่าเข้าใจาการเจริญเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะข้อมูลเนี่ยบรรจุเต็มพิกัดหมดละ เียกว่าปารบธรรมะหมวดไหนไม่มีขัดแม้แต่ข้อเดียวฟังงั้นนถะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วค่อยๆเหมือนกับแม่ครัวที่ปรุงอาหารอย่างนั้นแหะวัตถุดิบเนี่ยมีหมดแล้วเนี่ยการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าเป็นพระภิกษุสมัยก่อนถ้าอ่านธรรมบทบ่อยๆเนี่ยนะกลุ่มภิกษุทุกกลุ่มส่วนใหญ่แล้วจะฟังธรรมถามธรรมะตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วท่านจึงไปป่าเนี่ยนะ ก็คือรู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนของการปฏิบัติแนวนี้เนี่ยหนึ่งของ3 4เป็นยังไงเนี่ยนะจนถึงอรหัตตมรรคเลยถ้าอารหัตตมรรคจะเกิดและจะเกิดเพราะอะไรจนละคลายความสงสัยกังขาในข้อปฏิบัติหมดแล้วท่านจึงไปกันอ่าก็ได้แก่เพื่อบัรเทาอุตุนั้นเนี่ยนะอุตุที่ไม่เป็นส ป, ปายะและก็เพื่อเอกีภาวะสุขก็คือสุข เพราะความเป็นผู้อยู่ผู้เดียวคือความสุขที่เกิดโดยไม่มีความคลุกคลีด้วยหมู่คณะและก็ความหมกมุ่นด้วยกิเลสคำว่าเอกีภาพเนี่ยนะเอกีภาวะก็คือเอกีภาพสุขที่เกิดแต่การอยู่ผู้เดียวก็คือสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมวงงวความสุขที่ไม่ต้องอาศัยคนรอบข้างและก็เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการหมกมุ่นด้วยอานาจกิเลสเนี่ยนะ ไม่ใช่ความสุขที่เป็นไปกับโลภะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินะหรือว่าเกิดจากปัญญาจริงๆพึงทราบว่าการบรรเทาอันตรายคืออุตตุตรัดไว้แล้วทีเดียวด้วยคำว่าเพื่อบรรเทาความหนาวเป็นต้นนั่นเองนะประโยชน์จริงๆของการใช้สอยที่อยู่อาศัยก็คือเพื่อป้องกันความหนาวนะก็เหมือนกับเอ แถบประเทศเนี่ยนะประเทศไหนประเทศหนาวทรงบ้านก็จะต่างจากประเทศร้อนใช่ไหมถ้าเราอยู่หลายๆภาคนะก็จะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังเกตได้เหมือนกันอยู่ในหลายๆภาคแล้วก็แต่ละภาคที่เข้าไปอยู่นี้เราได้รับความเจริญงอกงามในธรรมะอะไรบ้างเพราะว่าคนที่เจริญธรรมะบ่อยๆนี้จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเข้าไปอยู่ณนะที่แห่งใดกุศลธรรมกุศลจิตเกิดเพิ่มขึ้นไหม หรือว่ามันมันไม่เพิ่มเนี่ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องต้องวิจัยได้หมดเลยเพราะว่าจะต้องรู้ในตามแนวพอดชงใช่ไหมที่ว่าสติสัมโพชงมีอยู่น่ะภายในจิตก็รู้เนี่ยนะว่ามีอยู่นภายในจิตสติสัมโพชงไม่มีอยู่นภายในจิตก็รู้ว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่น่ะภายในจิตสติสัมโพชง์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย สติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะจะบริบูรณ์ต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนั้นโพชงทุกข้อเนี่ยนะก็ต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันนะหรืออีกเรียกว่าอีกในยตหนึ่งก็คืออินซีนั่นเองว่าอินซี IN C แต่และอย่างจะเจริญได้ด้วยอาการอย่างใดเนี่ยนะปัจจัยอะไรบ้างให้ให้กุศลธรรมแต่และอย่างแต่และอย่างเกิดขึ้นะนะเมื่อกุศลธรรม ได้ความสมดุลแล้วจึงจะเกิดการแทงตลอดอริยสัจได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝักใฝ่ในการเจริญกุศลรธรรมเพื่อการแทงตลอดอริยสัจก็จึงเกิดการปรับความคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องอุตุกทั้งเรื่องอากาศเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มการพูดการคุยแม้กระทั่งบุคคลรอบข้างอันนี้ท่านท่านต้องวิจัยทั้งหมดเลย เพิ่งทราบว่าการบรรเทาอันตรายคืออุตุตรัดไว้แล้วทีเดียวด้วยคำว่าเพื่อบรรเทาความหนาวเป็นต้นนั่นเองก็จริงอยู่ถึงกระนั้นก็ยังตรัดคำนี้ไว้แม้ในที่นี้อีกเพราะหมายเอาการบรรเทาอันตรายคืออุตุอันเป็นประโยชน์ประจำเหมเหมือนอย่างที่ในข้อเสพจีวรเป็นต้นตรัดการปกปิดอวัยวะอันจะยังความละอายให้กาเริบ ซึ่งเป็นประโยชน์ประจาประโยชน์ทั้งหลายนอกนี้ย่อมมีได้ในการบางครั้งบางคราวเท่านั้นจีวอนเี่ยน ะ, ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มประโยชน์ของการใช้สอยก็แบ่งออกเป็นสองช่วงประโยชน์จรกับประโยชน์ประจำเหมือนั้นเถอะประโยชน์ที่ขาดไม่ได้ของเครื่องนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะนั่นเองประโยชน์จรก็คือบางตัวก็กันหนาวใช่บางตัวก็กัน กันร้อนเนี่ยนะผ้าบางอย่างก็กันหนาวผ้าบางอย่างก็กันร้อนแต่ประโยชน์ของผ้าทั้งหมดจะผ้ากันหนาวหรือกันร้อนก็ตามก็ปกปิดอวัยวะอันก่อให้เกิดความละอายนั่นเองฉันใดก็ดีเสนาสนะนี้ก็ลักษณะเดียวกันประโยชน์ประจำของเสนาสนะเลยก็คือเพื่อกําจัด อ, นนะอันตรายที่เกิดจากอุตุแล้วก็ประโยชน์ ประจำอีกสาคัญอันหนึ่งก็คือหลีกเล่นในการเจริญภาวนานั้นประโยชน์หลักของเซสนาสนะเนี่ยส อ, อย่างคือบรรเทาอันตรายกับหลีกเล่นแห่งการเจริญภาวนาอีกนัยหนึ่งอุตุมีประการที่กล่าวแล้วนี้ชื่อว่าอุตุนั่นแหละส่วนอันตรายมี2ออย่างคืออันตรายปรากฏและอันตรายปกปิดในอันตรายทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอันตรายปรากฏได้แก่สัตว์ร้าย มีสีหะและเสือโคร่งเป็นต้นก็บอกว่าพึงกระทำความเบียดเบียนแก่กายและจิต น, นะคำว่าอันตรายก็คือสิ่งที่มาเบียดเบียนกายเบียดเบียนจิตของภิกษุผู้นั่งอยู่ที่ลานโลง่งและโคนไม้เป็นต้นได้เพราะไม่มีการคุ้มครองคือเพราะความเป็นสถานที่ไม่มีประตูปิดกั้นเป็นต้นแม้กระทั่งในการจำพรรษาของพระภิกษุเนี่ยนะ ในในฤดูเข้าพรรษานี้ถึงปฏิบัตินาละกะปฏิปทานเนี่ยนะก็ต้องมีเสนาสนะประจําเสนาสนะที่อยู่จําพรรษาอ่าเขาบอกว่าในวินัยท่านกล่าวถึงว่าเสนาสนะที่พระพิสุอยู่จำพรรษาได้ก็คือเสนาสนะที่มีประตูกั้นนไมุงด้วยเครื่องมุงบัง5้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนไต้องมุงต้องบังแล้วก็มีประตูจึงจะให้อยู่จำพรรษาได้เนไเพราะฉะนั้นท่านห้ามไม่ให้จําในตุ่ม จำในโพรงไม้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ให้เฉพาะในในหน้าพันษาเนี่ยนะเพราะอันตรายของของการอยู่จำพันษาเช่นหน้าฝนเนี่ยนะถ้าไม่มีที่มุงที่บงังไม่มีที่ดีเนี่ยบางทีภาพสมัยก่อนมันเป็นป่าใช่ไหมพวกงูงเงี้ยวเขี้ยวเสือเป็นต้นมันก็มาง่ายเห็นะถ้าหากว่าที่ตรงไหนเคยอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่ง สมุท่ฤดูนี่นะฝนจะตกวันไหนฝนตกมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยงูจะชุกชุมมากแต่ขาบตัวใหญ่กว่าป้องมือเนี่ยจะวิ่งพล่ันไปหมดเลเพราะฉะนั้นที่กุฏิที่อยู่จะต้องสร้างสูงหน่อยนะถ้าหากว่าต่ำๆเนี่ยก็พวกไปนอนด้วยเต็มไปหมดอ่ะนะนะนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งทําไมบ้านไทยส่วนใหญ่โบราณ น, นี่จะสร้างสองชั้นกันหมดเลยนะนะบางประเทศทําไมสร้างติดดินเลยคือถ้าหากว่าชั้นสูงเนี่ยนะยุงไม่ขึ้น นะถ้าบ้านชั้นที่สองไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องกางม้งเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับพื้นเนี่ยยุงจำนวนัากเลยนะเห็นไหมถ้ายุงเยอะๆขึ้นบนบ้านยุงไม่ค่อยมีอเพราะว่ามันสูงใช่ไหมยุงก็ไม่ค่อยเข้าไปเบียดเบียนแต่ถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยนะบางคนเนี่ยแพ้กัดสักสามสี่ตัวนี่ก็ใครแทบขึ้นเลยนะตุ่มเนี่ยบางคนเนี่ยตุ่มเท่าป้องมือเลยนะกัดสี่ห้าตัวนี่ก็ตุ่มเยอะแยะไปหมดเลยพันพวกนี้เป็นอันตรายที่ปรากฏ ถ้าได้อยู่ในเสนาสนะแล้วอันตรายเหล่านี้ก็ไม่มีถ้าอันตรายเหล่านี้เกิดขึ้นโมตหาอยู่หายายอยู่นั่นแหละก็ธรรมะหายหมดละแล้วก็ชื่อว่าอันตรายปกปิดได้แก่กิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วก็โทสะเป็นต้นเห็นถ้าหากว่าบางสถานการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าไม่อยู่ในที่มุงบงังเนี่ยกิเลสเกิดนะเขาบอกว่ากิเลสคือราคะก็อาศัยท่านก็อธิบายว่า พึงกระทำความเบียดเบียนแก่กายและจิตของภิกษุผู้เห็นรูปอันไม่เป็นส ป, ปายะเป็นต้นนะถ้าหาวาไปอยู่ในที่โลง่งบางแห่งเนี่ยนะก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่ถ้าอยู่ในที่บางที่อะไรซะมันก็ไม่ต้องไปเห็นภาพบางอย่างนะกิเลสหรือบาปอกุศลก็ไม่เกิดนะอันตรายมีสองอย่างนะอันตรายปรากฏกับปกปิด อ, อันตรายปรากฏก็คืออันตรายจากข้างนอกเข้ามา อันตรายปกปิดก็คืออันตรายคืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นข้างในอันตรายทั้งสองอย่างนั้นย่อมกระทําความเบียดเบียนเพราะไม่มีการคุ้มครองดีถ้าหาว่าคุ้มครองซะอันตรายก็ไม่มีเพราะการเห็นรูปที่ไม่เป็นสปายะเป็นต้นก็ดีไม่ได้ในเสนาสะนะใดท่นคือเสนาสะนะบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอันตรายทั้งสองอย่างนี้ได้ ภิกษุเมื่อทราบคือพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงเสพเสนาสนะนั้นเพิ่งทราบว่าชื่อว่าย่อมพิจารณาโดยถูกทางแล้วจึงเสพเสนาสนานั้นเป็นต้นเนี่ยนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสักด้วยคลางทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่ไม่ประจําของเสนาสนะนะบางครั้งบางคราวเท่านั้นเช่นแดดก็มีครั้งคราวใช่ไหมกลางคืนก็ไม่มีแดดอย่าง บำบัดความหนาวก็เฉพาะหน้าหนาวบำบัดความร้อนก็เฉพาะหน้าร้อนเนี่ยนะอ่าบำบัดเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนของแต่ละครั้งแต่ละคราวไปแต่เพื่อบรรเทาอันตรายจากอุตุแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการหลีกเร้นเนี่ยนะสำหรับการเจริญภาวนาสําหรับการเจริญกรรมฐานอันนี้เป็นประโยชน์ประจําของที่อยู่ที่อาศัยอันแม้กระทั่ง ในคาถาอนุโมทนาคาถาวิหารทานเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงเนี่ยว่ า, าเาสนาสนะทั้งหลายก็ป้องกันความหนาวป้องกันความรอ้อนบําบัดสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นแล้วก็ในเสนาสนะนั้นผู้ที่สร้างให้แก่สงนะที่กล่าวถึงราชเชหาเศรษฐีเนี่ยน ะ, ระนยนะสร้างวิหารถวายสง์ในสมัยนั้นอนะ่ะสร้างในเวลุวันใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายเฉพาะวั ราชเกื้อหาเศรษฐีก็เข้าไปสร้างเสนาสนะให้อะไรให้ผมก็อนุโมทนาว่าประโยชน์สำคัญจริงๆของสิ่งเหล่านี้ก็คื อ, อบำบัดความหนาวความร้อนแล้วก็ลมที่มีใน ส, ะสระฤดูเห็นนะเรียกว่าลมเจือฝนว่า ง, งั้นเถอะมันพัดพามาถ้าหากว่ามีที่มุงที่บงังถ้ามันก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าลมบางอย่างเนี่ยนะหรือว่าฝนบางบางช่วงถ้าไปตาก ฝนเนี่ยเป็นหวัดแน่ใช่ไหมฝนบางช่วงบางบางกาเนี่ยเป็นหวัดเพราะฉะนั้นอาศัยพวกเสนาสนะก็เข้าไปบำบัดสิ่งเหล่านั้นแล้วพระพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็อาศัยเสนาสนะนี่แหละในการเจริญในการบำเพ็ญสมณธรรมหรือว่าที่เรียกว่าบำเพ็ญกิจของตนนั่นนะทำกิจของตนก็คือศิกขาสามมันก็อาศัยอยู่ในเสนาสนะแล้วก็ จะได้ปรารภพิจารณาใคร่ครวญถึงธรรมวินัยของพระศาสดานะบางสูตรนี้พระองค์บอกว่าเออดีแล้วนะที่เธอได้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระศาสนานี้นะนับว่าเป็นขณะที่ได้โดยยากนะถ้าหากว่าในขณะที่เอิญ น, นี้เธอไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นนะองค์ก็เล่าว่าถ้าอยู่ในนรกเนี่ยภาษายตนาในอารมณ์ทั้งหกไม่มีหน้ายินดีไม่มีหน้าปราธนาเนี่ยนะ มัวแต่มีปัญหาวุ่นวายอยู่เนี่ยนะในนรกเนี่ยมีแต่ความเล่าร้อนถ้าดันตตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างเต็มที่แต่ถ้าเธออยู่ในสวรรค์อีกก็ไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะว่ามันมีแต่อารมณ์ดีๆมีแต่การเกี่ยวข้องเหมือนกับว่ามีแต่จัดกินเลี้ยงอ่ะนะบ้านโน้นก็กินเลี้ยงบ้านนี้ก็กินเลี้ยงเวียนกันไปเวียนกันมาไม่ต้องทําอะไรละมัวแต่เพลิดเพลินอย่างนั่นแหละเขาบอกว่าแต่มนุษย์นี้สามารถมองเห็นทั้งผลดีผลชั่วทั้งกรรมและผลของกรรม มันผู้ที่มีความเพียรพยายามจริงๆนี้อยู่ในมนุษย์นั้นอ่ะสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์เจงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเชื่อว่าเป็นขณะที่ได้โดยยากจริงๆในเรื่องเสนาสนะนี้ก็พอได้้เ น, นะอุตุสปายะเพื่อประโยชน์แก่อุตุสปายะนั่นแหละแล้วก็พิจารณาแต่ละครั้งก็เป็นญาณสังบรนเี่ย เป็นสังวอลีน